เจ้าปัญหาเจ้าก่ขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันกลางคืนดืนเดินด น, นั่งนอนเว้นแต่จะหลับสนิทไปทานั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจดกเดียวนี้ตอนนั้นโลกจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดมงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ไปให้ความหมายเขาแล้วก็เอาความหมายนั้นละ่ะมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยจึงเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังไปเลยเห็นว่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายที่ง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเข้าในหัวใจอีกนั่นผู้เป็นศาสด า, าที่จะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใน จ, ใจิตใจยิ่งต้องเป็นผู้เฉียวฉลาด มากผิดธรรมดาสามัญชนทั่ ว, วไปไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้เขาออเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉะลาดสามารถจนเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภายในพระไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามสัสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลย การทุ่มเทกําลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคําว่าพุธทธังขนังกะชามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดําเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตําหนิตีเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกําลังมีความเกียดคร้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มี ถึงการเสียสะละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสะละถ้าจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายก็ยังต้องเสียสะละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ มันควรจะพูดได้ว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญที่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฝืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั่นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มตุนม๋นวิธีใดไ ด, ได้ทั้งนั้นพ่อไม่ทราบคนบุบายของเขาคนฉลาดต้มตุ๋นคนโง่ถึงต้มง่ายการพร่ำสอนคนโงน่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีบุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเทียบกับกิเลส ท, ที่มีความแหลมคมมีความเฉียบเฉียวฉลาดกว่าเรา คิดในแง่แยใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไใบนํานนธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยจะกลายมาเป็นเราเสียทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็้วนแรงตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสไปเสียสิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งตรงนี้เป็นก้าสึก มีใครบ้างทราบมาก่อนมันมไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่ง น, นี้เป็นฆาสึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นฆาสึกอยู่ภายในพระไทยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภยัยไม่มีฆาสึกใ ด, ดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เล ย, ยนี้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เรื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นข้าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กับยู่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าท่านั้น แม er ้ท่านนาอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเสี่ยมสอนนมานาเธอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเผลอจะทำกิเลกก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลกก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คืออยู่ในจิตดวงเดียวกันพ่อฝาหนึ่งเผลอฝาหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการคายครวนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสของกิเลสที่เขาแทรกแล้วโดยเราจะไม่รู้สึกตัว จึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดทางการกระทำกว่าจะได้ผลอย่างนั้นนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสที่ไม่อยากให้เราทำเช่นนั้นแล้วเราก็ค้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทำไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะลำบากลำบนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทาคือความจริงสอนไม่ไม่ข่อยเชื่อ กิเลศสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้โน่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายทรรฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะ ก, กัน เขาไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแคถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอนนันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านหนึ่งฝ่ายกิเลส ก, ก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านหนึ่งที่นี้แยกจริงจชจยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก็จะคว้าเอาชัยชนะมาได้นำใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลมุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่พอในการจมไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นหลักผู้มุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลาบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุกษเก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลํำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลําบากลาบนเป็นทุกข์เป็นอยากอะไรห่วนไปอะไรเนี่ยเรื่งความกลัวลนั้นเป็นอุปสรรคจีบขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ อันเพืงหวังของตนเท่านั้นไม่มิไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่แล้วก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญเป็นคุน ก, ก็ก็เข้าใกล้คิดติดแนบกับความกล้าหาญสู้กับมารซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลำหนักลำหนับนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คืออนาปานสตติทรงกำหนดรมหายใจเข้าออกและทรงยิดย้อนหลังถึงคราวที่ไปแรกนาะขวานได้ทรงบําเพ็ญนาปาน า, าตตินั้นนำการบาเพ็ญคราวยังทรงพยาวนั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ล้มโผล่เจ็นได้หลักนั่นเป็นที่ยึดอนานาปาสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้นะในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าป่องใสก็ป่องใสพระกายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะกดพระกระาหารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน มาเสวยในวันนั้นระากายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนณปานัสติฮือลมหายใจเข้าออกจยกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำานับลำหนักจิตที่กวนแก่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุบาท อวิชชาปัจญาสร้างคาราสร้างคาราปัจญาวิญญาณังแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปัจญาสร้างคารานี่หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจญาสร้างคาราเรียบเรียงจนกระทั่งวันตายก็มาเห็นเรื่องอวิชชาเลยอันนั้นท่านรู้แล้วท่านถึงไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอ่านเท่าเท่าไรเลี้ยงก็เท่าไรก็ตามอย่างอวิชชามากกี่ตู้กี่คำผีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมอวิชชาทั้งนั้นหาที่แก่ที่ไขไม่ได้เหมือนวิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหมุนกันมันหมุนไปจากไหนเน่ย เราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแล้วต้นไม้ตัวหนึ่งมีกี่กิ่งกี่แขนงและมีกี่กี่ใบกิ่งแยกกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่แยกกี่น้อยกี่แขนงแล้วนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียวันหลังไปนับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่อมได้ราอะไร นี่แหล่ะที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เอง<ม>ผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไร<ม>ถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทําเดือนก็ค้นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดค้นห ล, ลักแก่ลกหลักขอตัดเข้ามาเท่า เข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวนั้นจะทนได้อย่างไรมันก็ล้มระเนระนาดลงท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจำนวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและตายไปโดยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อเนี่แที่ว่าอวิชาปัยาสร้างขาลาอวิชาปยาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกว์รากฝอยกิ่งก้านสาขามันก็แตกออกไปอวิชาปยาสร้างขาลาสร้างขาลาปยาวิญญาณวญญาณ เลื่อยไปไม่มีที่จุดหนึ่คือมีรากแก่รากฟอยมีต้นมีลำแล้วก็มีกิง่งมีกา้านมีดอกมีใ บ, บคุณเห็นง่ายว่ า, างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขขแขนงมันก็ทรงตัวขมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาขาดอกใบละตายหมดอวิชชาวัตถเวบาเซสเวิดาคานโยธาเลื่อย อวิชชาดับสังขารก็ดับอนั้นก็ดับก็ดับเรื่อยไปนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชชาแต่เป voilà. ็นเครื่องมือของมัน ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายมีแต่ทางเดินของอวิชชาสังขาราปยาบิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของอวิชชาอวิชชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ปรุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอวิชชาเมื่อค้นเข้าไปถึงตัวอวิชชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไรอวิชชาดับสังขารจะมีเปมาจางไหนสังขารนอกจากสังขารล้วนๆดังสังขารปาราหันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารลง เราทั้งหลายที่มีวิชานี่ล้วนแย่ตั้งแต่สังขาดเป็นกิเลสนะ่ยวิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชชาพาให้เป็นก็ไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของอวิชชาฮะตรงค่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชชานะดังที่อเคือธิบายมาแล้วหลักแกวหลักฝอยไปยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไรไปสําคัญมั่นหมายกอะไรคลี่คายดูทั้งสิ่งนั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมั่นหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อมาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวรีดโดนกวนกวาดเป็นตัวประยุทธ์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจขี้พาดูไม่เข้าใจทั้งข้างนอกให้เข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับนี่เป็นขั้นเรื่องเริ่มแรกที่จะระงับดับอวิชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจัองตนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนิชำนานในทางใดใพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทําถูกต้องตามปัจยาศัยด้วยถูกต้องตามหลักทํามด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสื้อพื้นไปพุ้งเฟ้อเอืมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กำเลิบเสกสารต่อไปนี่เราก็เห็นผลแล้วนี่วิชาสงบตัวอุบาสติปัญญาจะพยยิจารณาเพื่อคลีคล่คายดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกุลาคายของเรานี่ปกตผกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นวัเครื่องสัมผัส ต, ต่าง เมื่อมันมีกิ่งมีกา้านเมื่อมันมีรากแก้วรากฝอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละจึงให้พิจรารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรรคได้ทั้งนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่น่นสอนให้ไปอยู่ป่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าพราะเรามาเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อน เห็นที่นั่แล้วก็มาเทียบเชียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าชาตินี้แล้วเรื่องปาชาติภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเข้ามาดูป่าชาติภายในเมื่อเห็นชาติเข้าใจชาติในป่าชาติภายในคือสร้างการตัวเองที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยของมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้นั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดยึดถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึ ง, จงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณิพิจานาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำหนักลำหนักอย่างการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่า น, านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจให้กําหนดพิจานาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราในในขณะขณะ จิตสงบอย่างไรก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้น่ะนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยคนเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยของท่านผู้ท่านภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตาม ความต้องการแล้วจะเกิดความดืร้อนขึ้นมาลนกายเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทํำกิเลสให้ระ ง, งับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศตลางวันอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกแห่งทุกผนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่รมทั้งนั้น ถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งสำคัญจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในภายในนี้แล้วภายในก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พายให้เป็นไฟใจพายให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสําหรับสัตว์และบุคคลรายหนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจ ให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิกแหวเปลี่ยนแปลงไปในทางในบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบายดไปทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากางนี่แล้วเป็นผู้สั่งงานค่อยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความเศมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายะค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการทังวันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการ เศรหมองปัญญางเรามีมีธรรมชาติอ right? so ันหนึ่งที ale, ่รู้ว่าอันนั้นเศร้าหมองน่ะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้น่ะให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่มันกำลังงับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศร้าหมองมากขึ้นเอาทำให้เศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณา มันจะเศร้หมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศรหมองนั้นละ่ะเป็นสถานที่ทํางานกําหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับเพราะมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ได้ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามัผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบว่านี่คือความผ่องใส มีเป็นอา ก, การอันหนึ่งของจิตที่สแสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระกรันธรรมะระวังจิตใจทของตนผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความปองใสใยความปองใสกับความพัสสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความปองใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์นะให้เราทราบสาเหตุมันไว้ทั้งสองเงื่อนสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพินาศเป็นสัจธรรมหากเราไม่พินา้เป็นสัจธรรม อาแล้วชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดำเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ต้องตาหนิทางดียึดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความป่องายความสงบจะมีมากน้อยเพียงไรอาสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึด เมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นถึงวัาถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องายมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ของใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตาย เรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตให้ไปด้วยความผาสุกเย็นใจอุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจรารณาเช่นความเศร้าหมองเป็นต้น ความซ้หมองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทํำไมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยสาเหตุของมันที่กว่าให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียใจกับมันมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญาน่ะถ้าเราไม่นําสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยาก ให้มันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดีมันยิ่งจะกําเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่ก็จะให้มันดับไปได้อย่างไรเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกําเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะให้ดับสาเหตุนี่คืออะไรก็คือปัญญาอ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความเมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรอ้าวถ้ากว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลมันคือความเศรหมองนี้ มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเปปลลี่ยนแ ง, ง, ง, งไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้า น, นี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนัน้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทํามไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พ อ, อนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความเบาใจปรากฏขึ้นมา แทนที่เพราะให้ลาถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั้นอาการท้องจิตที่จะไป ส, ส่งเสริมให้ความเศรหมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเลี่ยอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นั่นความเศร้าหมองนี่มันก็สลายตัวมันลงไปนี่ความเศรหมองก็ดีความป่องใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศร้หมองนั่นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ำให้ขุน่นโมวให้เป็นทุกข์ ไม่ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วกั็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมดทั้งทางดีทางชั่วพิปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปกองนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่ว่าความ ไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดดูวความไม่สบายมันเกินมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่หนังอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นไม่เกิดประโยชน์จยำปีชังนนพติตัมปีทุกขังเนี่น ย, ยรปรารถนาเมื่อไม่สมหวังนี่มันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุข ให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกอันความปรารถนานั้นเนี่ยมันต้องให้พิจรารณาแก่จิตแก่อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกค่อยสังเกต ด, ดูอยู่เสมอปัญญาก็ท่านเรียก ว, ว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริง ซึ่งแต่และอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชั่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องผสริมจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดถีบงังคับหรือไปทําลายจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลําดับลำดับมีนักภาวนา ต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทำงานมันจะตั้งอยู่ทลายก็ให้มันตั้งเราอย่าไปปรารถนาอย่าไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูรู้มันใจมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนไม่ให้สงบมันตึงหาความสงบไม่ได้อทองเกี่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไปหวังโน้นหวังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกาย ของเราทุกส่วนท่านเรียวกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันก็เกิดกระดับข้องมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาได้มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำว่าจำประยุทธ์อย่างนั้นน่ะจํำอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาสาระแก่สารอะไรกันมันได้ ข้างคานวิญญาณนั้นลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนับอึูอย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลับปัญญาใจของเราก็มีความป่องใสเพราะใจไม่ใช่ขั น, นใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกับตัน เมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนนัเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไงเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจักษ์ใจอย่างนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไงนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเต็มปากสําหรับภูร์อ่าเอว